พระธรรมเทศนาแผนที่73าลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่11มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าสมาธิธรรมก่อนอื่น กล่าวกับผมขอกาขราบคารวะหลวงปู่ที่เป็นประธานสงกอบกราบขอกราบน้อมคารวะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับผมนับว่าวันนี้เป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งที่กล่าวกับผมได้มาในงานของหลวงปู่ เนี่ยมาเห็นคณะทศไทยญาติโยมด่างรุนหลามไม่คาดคิดว่าจะมีคณะทศไทยญาติโยมมากถึงขนาดนี้พอมาเห็นแล้วก็ปลื้มใจที่องค์หลวงปู่ของเราที่เป็นสิทธญาณุสิทธิทของหลวงปู่มั่นเป็นองค์สุดท้ายที่เก่ากับผมได้ทราบมาก็มีหลวงปู่ ของเรานี่กัมีเนนเพง่งสมัยนั้นก็นคือหลวงปู่เพ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นหลวงปู่นั่นแหละอยู่ถ้ำกองเพลนก็ยังคิดว่ายังเหลืออยู่สององค์ที่เป็นสิทธิานุสิทธิของหลวงปู่มั่นเน่ยเพราะฉนั้นในวันนี้ที่มากับผมเองก็เป็นฐานะหลานเหลนของครูบาอาจารย์ที่ได้มา พอมาเห็นได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลมหาม ง, งคลอย่างยิ่งเพราะนั้นก่อนที่ก่อนอื่นที่จะได้กล่าวธรรมมากขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมตั้งใจฟังเพราะว่าการฟังธรรมทำคำสอนแต่ กระผมเองอาตมาภาพเองก็มั่นใจในองค์หลวงปู่ของเราหลวงปู่ของเราเป็นธรรมมะทึกเอกเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้จะเกินไปพอะหลวงปู่ของเราไปนสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของปวงประชา แต่ทุกวันนี้ท่านก็ได้แนะนำพลังสมาธิพลังสมาธิขึ้นไปทางจังหวัดอุดรต่างก็ศรัทธาญาติโยมทุกมูเหล่าก็ตอบรับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเอาความจริงมาแสดงเอาความจริงมาพูดให้กับพี่น้องประชาชนคือเอาธรรมของ ที่ท่านที่หลวงปู่ได้พบได้เจอมากับองค์ท่านแล้วได้มาออกมาแนะนำพี่น้องประชาชนลูกหลานวันนั้นเอาของจริงมาพูดเอาของจริงมาแนะนำสังสอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ตอบสนองตอบรับ เ, เป็นอย่างดีวันนั้นวันถือว่าองค์หลวงปู่ของเราเป็นปรวชนิยบุคคล เป็นบุคคลที่ควรเคารพคารวะอย่างสูงยิ่งเพราะนั้นวันนี้กถือว่าเป็นวันมงคลเพราะหลวงปู่มีอายุครบเก้าสิบห้าปีหลวงปู่ก็ยังสุขภาพหลวงปู่ก็ยังแข็งแกร่ ง, รงยังช่วยตนเองได้กระนับว่า เ, เป็นบุญกุศลของลูกของหลาน ท่านยังแสดงธรรมแสดงความคิดเห็นเห็นได้อีกอแต่กระผมเองก็ได้หลวงพ่อเองก็ได้กราบองค์หลวงปู่เมื่อกี้นี้ท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งมาจากแคนาด า, เ, าเมื่อวันที่ยี่สิบกว่าของเดือนธันวาแล้วก็ท่านก็จะอยู่อบรมลูกหลานอีกอพอสมควรอพอได้ หลวงพ่อได้ยินหลวงปู่พูดอย่างนี้หลวงพ่อก็ปลื้มใจที่หลวงพ่อจะได้ที่หลวงปู่ของเราจะได้อบรมแนะนําลูกหลานให้รู้จักคุณธรรมศีลธรรมหรือว่าสมาธิธรรมถ้าว่าพวกเราลูกหลานทั้งหลายมีสมาธิธรรมดีแล้วการที่จะทําสิ่งไหนก็การที่จะคิดสิ่งไหนก็จะมีการยับยั้ง จะมีการยับยั้งทางด้านจิตใจเพราะนั้นเรื่องสมาธิที่หลวงปู่ที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนลูกหลาน เ, เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่จําเป็นสำคัญ อ, อย่างมากพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นวันนี้ก็ก็ผมเองกับผมเอ ง, รเองหรืออาตมาจะได้แสดงธรรม การแสดงธรรมก็มีมากหลากหลายกระสุดแท้แต่องค์ไหนที่จะหยุดยิบยกเรื่องอะไรมากล่าวมาแสดงเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามี 84% ดมพพระธรรมมขันสุดแท้แท้แต่องค์ไหนท่านผู้ใดจะหยิบยกเอาจุดไหนมาชี้แจง แสดงให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทให้ได้เข้าใจในเรื่องนั้นๆแต่แต่วันนี้เองกลับผมเองก็จะได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษามาจะได้นํามาบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อได้ยินได้ฟัง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 ได้ฟังหลักเหตุผลก็จิตใจจะได้รับความสงบได้รับความของใสอันนี้คืออเ น, นสงแห่งการฟังธรรมท่านยังเน้นเป็นพระบาลีอีกว่าสุดตามมยัปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยัปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรพบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้น มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบผ่านสมาธิแล้วนาจิตใจที่ผ่านสมาธินำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นก็เกิดปัญญาที่แท้จริงเรียกว่าภาวนามายปัญญา ตนนั้นสรุปแล้วในหลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าท่านเน้นหนักหรือว่าท่านได้พูดได้กล่าวได้ตรัสเอาไว้ว่าพวกเราจะเฉลียวฉลาดจะรู้เรื่องราวต่างๆขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังตอนนั้นวันนี้เป็นวันหนึ่งที่กระผมเองเอาตมาพาบเบงจะได้นำธรรมคําสอน ที่ได้ศึกษาที่ได้เรียนรู้นำมาบอกกล่าวให้กับคณะทัททาญาติโยมทุกหมู่เหล่าเพื่อได้ยินได้ฟังและก็พร้อมกันก็เป็นการน้อมกราบคาระวะเชิดชูบูชาในพระคุณของหลวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นตอนน่อไปก็จะได้เข้าประเด็นในการแสดงธรรม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 ปูชาจปูชนียานังเอตัมมังครมุตตะมันติเตวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่กล่าวกับผมได้มาเป็นองค์แสดงธรรมในคณะด ท, ทาญาติโยมพุทธบริษัทมากหลากหลาย แต่เกล้ากับผมเองอยากจะพูดเพราะองค์หลวงปู่ของเราท่านเน้นหนักเรื่องสมาธิเพราะนั้นวันนี้เกล้ากับผมเองก็อยากจะสนองตามแนวแถวขององค์หลวงปู่ที่ท่านแนะนำบอกกล่าวบอกกล่าวเรื่องสมาธิแนะนำสั่งสอนลูกหลาน ه, เกล้ากับผมเองไปนสถานที่ต่างๆก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ผู้ที่จะมีสมาธิเกล้ากับผมเองก็ในแนะนำว่าควรจะมีศีลเป็นพื้นฐานถ้าหากว่าพวกเราไม่มีศีลการกระทำสิ่งไหนความทำความผิดมาเราจะมานั่งสมาธิ จิตใจของเราก็คงจะเข้าความเข้าสู่ความสงบได้ยากถ้าหากว่าพวกเรามีศีลเป็นพื้นฐาน่ อ, อย่างครวญศรัทธาญาติโยมก็มีศีลห้าเ่เราไม่ฆ่าเราไม่คิดฆ่ากันเราไม่คิดขโมยกันเคารพในสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่โกหกไม่ดื่มสุราถ้าหากว่าเรามีศีลเป็นพื้นอยู่แล้วเราจะนั่งสมาธิ จิตใจของเราก็จะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายแต่ถ้าว่าเราไม่มีศีลไปทำร้ายทำลา ย, ลายไปฆ่าคนอื่นไปขโมยคนอื่นไปผิดในสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นแล้วโ ก, โกโหกคนอื่นดื่มสุราแล้วพวกเราจะมานั่งสมาธิภาวนาก็คงจะมีแต่เรื่องวิตกกังวลในจิตใจเพราะนั้นเรื่องศีลก็เป็นรั้วส่วนหนึ่งที่จะทาให จิตใจของเราเข้าสู่สมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัทจะต้องคํานึงถึงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเราก็ไม่ควรจะมองข้ามเพราะศีลเป็นรั้วที่จะทําให้จิตใจเข้าสู่สมาธิแต่เรื่องสมาธิมีมากหลากหลายที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ คือกรรมฐาน40บอย่างมีพุทธานุจติเป็นต้นจากนั้นก็ท่านอธิบายเรื่องวิธีการทำสมาธิแต่เกล้าของผมเองก็ได้บอกกับคณะสัตธาญายอมลูกหลานบอกว่ากรรมฐานใดก็ตามถูกกับจริตของเราที่เราจะทำให้จิตใจสงบ ก, ก็ได้พูดไว้ว่า เหมือนกับเราใช้วันลีวันลีคือคำพูดของเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าจะเป็นแมวสีอะไรก็ได้ถ้าจับหนูได้แปลว่าแมวตัวนั้นใช้ได้นี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราใช้กรรมฐานอันใดแต่จิตใจของแต่ละท่านได้รับความสงบอันนั้นก็ใช้ได้แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องมีแนวแถว ไม่ใช่วันเราทำบางคนก็กำหนดอย่างหนึ่งแล้วก็องหนึ่งมาแนะนำไปอีกอย่างหนึ่งพอใ น, นสุดไม่หาจุดหาจุดยืนไม่ได้หาจุดกำหนดไม่ได้อันนั้นก็แปลว่ากนั้นก็ไม่ดีแต่ถึงยังไงในการทำสมาธิตามแนวแถวของพุทธะก็ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายหลวงปู่มั่นของพวกเราแต่แต่ก็ถึงยังไงก็จ ะ, จะต้องมองดูแนวของหลวงแนวของพุทธคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านที่ท่านได้สมาธิระหว่าท่านหนีออกจากเวียงวังที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของราชจนนอายุถึงยี่สิบเกปีท่านหนีออกจากเวียงวังท่านก็ไป บำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหปีไปบวชที่แม่น้ำฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีจากนั้นก็ท่านก็ได้ไปบำเพ็ญมากหลากหลายหลายแห่งลองผิดลองถูกลองถูกร ล, ลองผิดจากนั้นก็ได้ไปศึกษากับดาบททั้งสองดาราดาบวุติกาของสองฤาษีแต่ท่านก็ทั้งสองฤาษีนั้นท่านก็เน้นเรื่องสมาธิ แต่ก็ไม่เป็นที่พอใจที่พระพุทธเจ้าที่ศิทธะในในการศึกษาในข่าวนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้มาบำเพ็ญอยู่ตามลำพังพระองค์จนถึงวันเดือนหกเพนนตอนหัวค่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินหรือว่าไปพระอาทิตย์ยังไม่อัดสะดงนายโสธิยะได้นำยากาผ่านมา ก็เห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังก็ได้มอบถวายยาขาให้กับท่านสิทธัตถะเมื่อท่านสิทธัตถะได้ยาขา8กำมือก็มองหาที่ทาเลที่นั่งท่านก็มองเห็นทางทาเลทางทิศตะวันออกจากนั้นพ่อองค์ก็ได้เกลียยาขา8กำมื อ, อคงจะประสานกันหัวท้าย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 มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระองค์ไม่คิดถึงไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตจิตพระไทยใจของะองค์อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ปลายจมูกกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกพระไทยของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌาน ระลึกชาติผลหลักได้เียว่าปุปเพนิวาสารุสติญาณเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาขอบอกกล่าวเน้นหนักคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนว่าพุทธศาสนานเน้นว่าตายแล้วเกิดแน่นอนเพราะเหตุใดถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าออตายแล้วสูงพระพุทธเจ้าคงระลึกชาติผลหลังไม่ได้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเราลืมล้ำรลึกชาติผลหลังได้ ที่แล้วเป็นอะไรมาพระ อ, องค์ก็ระลึกว่าก่อนที่จะลงมาเกิดที่กรุงกระบนลพัฒน์ลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนที่จะลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตมีพรมมีเทวดาไปกราบราตนาพระรพ อ, องค์กําลังจะขึ้นไปชั้นอื่นจากนั้นก็ลงมาเกิดมาประสูติที่กรุงกระบนลพัฒน์จากนั้นก่อนนั้นมาจากไหน ท่านก็ว่ามาจากเวทชั้นดอนพระเวทชั้นดอนจะก่อครึ้นไปเพวัะนั้นวิญญาณหรือว่าใจของพระ อ, องค์มีที่ไปที่มาจต่ว่าท่านละลลึกชาติผนหลังได้จต่ว่าปุเพนิว่าสานุจติญาณพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ลำลึกมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายนอกจากพระ อ, องค์ตอนหัวข้ามมองพระ อ, องค์เองแต่พอพึงถึงเที่ยงคืนมองดูสรรพสัตว์ แต่ละวิญญาณแต่ละดวงแต่ละคนมาจากไหนมาเกิดทําไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันคนนี้ร่ํารวยคนนี้ฉเฉลียวฉลาดคนนี้แปลกแตกต่างพิกงพิการมีมากหลากหลายเพราะอ ย, าอย่างพวกเราท่านท่านหลายเหตุพระองค์ก็มองดูมองดูแล้วทําไมคนจึงไม่คนจึงเป็นอย่างนี้พระองค์ก็มองว่ากรรมกรรมคือการกระทํา ถ้าหาว่าผู้ใดทํากรรมดีกรรมดีจะให้ไปไปในทางดีถ้าหาว่าใครใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมองดูว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเป็นมาด้วยกับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเน้นเรื่องอย่าทํากรรมชั่วในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พอถึงพอจวนสว่างพระ อ, องค์ก็ได้ดูพัทธายใจของพระองค์ว่าใจของเรานี่มาจากไหนจึงมาเกิดมามาที่นี่อยู่เดี๋ยวนี้และจะไปอย่างไงพระ อ, องค์ก็มองดูย้อนหลังไปว่าวิญญาณของเราเนี่เกิดมาจากไหนท่านก็มองดูมองย้อนลงไปไปเห็นอวิชชาไปถึงตัวอวิชชาคือตัวโง่ตัวไม่ฉลาดตัวไม่รู้ เจ้าอาวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณนัง่งจนถึงโสกปริเทวทุกขโทมณ ส, สุวิญญาณตรงนี้มาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้จากนั้นก่อนเนี่ยได้รับผลมาจนถึงความพิไรร้องให้รำพันก็เพราะมาจากตัวไม่รู้เพราะนั้นสิ่งไหนที่มันวกพาว ก, กวนเวียนในภพภูมิต่างๆ ท่านก็มองเห็นว่ากิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสนี่แลอยู่ในดวงใจของมนุษย์สัพพสัตั้งหลายทำให้เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์จะกำจัดด้วยวิธีการอย่างไรจากนั้นพระองค์ก็ได้ใช้ตปธรรมคือสินสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิปริโยาสานคือสุดท้าย จากนั้นได้กันกรองไตรกรองอ ก, ก, กําจัดกิเลสภายในพรัดใยของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรู้อนุตรพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันคืนในวันเดือนหกแผ่นอันนี้ก็คือความเป็นมาของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกแผ่นแต่นี้มานึกมานํา ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาจากนั้นก็นํามาเอาหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่หลวงปู่ที่ท่านนํำทำคําสอนของหลวงปู่มั่นมาประพฤติปฏิบัติเพราะว่าองหลวงปู่หลวงปู่วิธียังของพวกเราที่ท่านเป็นประธานหลวงปู่ที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านก็บอกว่าสมัยท่านเป็นเด็ก อายุ14ปีเริ่มเข้าวัดไปพบกับเจ้าท่านหลวงปู่กงมาที่นั่นแ่ะที่เป็นเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมะเจดีแต่สมัยนั้นท่านมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแถวปากช่องหลวงปู่ของเราก็เป็นเด็กอายุเพียง14ปีก็เข้าไปศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติ หลวงปู่ก็มาก็สอนวิธีการปฏิบัตินั่งภาวนาจากนั้นหลวงปู่ของเราก็ท่านได้นั่งสมาธิใจของหลวงปู่ของเราที่เป็นสมาธิที่ศาลาจากนั้นใจของหลวงปู่ของเราเดินออกมานอกศาลานี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องสมาธิหลวงปู่จึงประทับใจในการที่แนะนําสั่งสอนพี่น้องไปชาชนอันนี้ก็คือแนวแถวของ หลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกหลานเพราะฉนั้นเรื่องหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านโดยมากท่านจะเน้นหนักเรื่องภาวนาให้บริกรรมพทรุทโธแต่พวกเราได้สังเกตที่อาตมาบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่กรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิทธิ์ท่านบอกว่าท่านเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นมันหลุดในง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันหลุดได้ง่า ย, ายเพราะฉะนั้นควรควรจะสำทับเอาพุทธโธเข้าสำทับด้วย เวลาหายใจเข้าพดเวลาหายใจออกโถที่ปลายจมูกแต่ไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องและไม่ต้องตามลมลมออกไปข้างนอกให้เราเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่างลมหายใจเข้าไม่ต้องตามลมเข้าไปหรือเวลาลมหายใจออกก็ไม่ให้ไม่ตามลมออกไปมีแต่ว่าให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็คือที่อง์หลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิตของท่านจากนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกใจของเราก็จะรวม เ, เป็นคณิกาหรื อ, เ, อเป็นอุปจาระหรือเป็นอัปปนาสมาธิ เออคีแรกเพราะเมื่อเราจิตใจของเราเขา้าเู่สู่ความสงบเออมันจะรู้สึกว่าเย็นว่างหรือว่ามีแสงสว่างหรือมีความสุขในช่วประเดียวประดาอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิคือเราทําจิตใจตามดูอารมณ์ของเราเรารู้เท่ารู้ทันในอารมณ์อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิ แต่เมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเ อ, อจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นอันนี้เราว่าอัปปนาสมาธิเมื่อจิตของเรารวมเป็นอัปปนาสมาธินี่แหละเพียงเท่านี้แหละเราก็รู้ได้ว่าพุทธศาสนาหรือทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจกายกับใจใจกับกาย เป็นคนละอ่านกันเราคือตัวผู้รู้คือจิตที่สงบนันจิตสงบในร่างกายร่างกายนั่นคืออาตมาเองได้พูดเปียบเทียบ ว, ว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถแต่รถ คนขับอาศัยอาศัยอยู่ในร่างกายที่จะไปที่ไหนได้ต้องอาศัยคนขับแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจเรื่องของโซเฟอร์มากกว่ามากกว่ารถแต่พี่น้องชาวโลกทุกวันนี้เขามองไม่เห็นมองไม่เห็น ตัวโซเฟอร์ตัวนมามธรรมตัวผู้รู้มองไม่เห็นแต่เห็นแต่ตัวรถแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของโซเฟอร์มากกว่ามากกว่ารถถึงจะให้ท่านจึงให้คำ เ, เป็นพระเป็นพระบาลีว่ามโนปุพังขมาธรรมะมโนเศรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าหากว่าโซเฟอร์เป็นผู้มีนินสัยดีมีมารยาทกิริยา ม, มารยาทได้รับการอบรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี รถคันนี้ก็ไปในในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นศิลเป็นธรรมไปที่ไหนมีแต่ความพร่อมเย็นเป็นสุขให้ความสุขต่อมวลมนุษย์แต่ถ้าว่าโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นนักแรงเมื่อขับรถคันนี้มีแต่บีบแตรด่าไปเรื่อยจากนั้นก็ชนใช้ชนขวา ไม่มีเมตตาต่อใครๆ เ, เพล่เพล่ก็เกิดโมโหขึ้นมาก่อนะหักพวงมาลัยลงข้างถนน เ, เป็นอันตรายเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราไม่ได้รับการอบรมเพราะฉะนั้นเรื่องการอบรมเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ที่จะต้องฝึกฝนให้จิตใจของเราได้รับความสงบในเมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเดินยังไงเดินวิปัสสนาอันนี้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็สอนองค์หลวงปู่ท่านก็สอนอท่านก็สอนเรื่องวิปัสสนาเหมือนกันแต่อันดับแรกท่านต้องสอนเรื่องสมถธคือทาจิตใจให้สงบซะก่อน ถ้าจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วเป็นที่รู้แล้วว่าวิธีเข้าสมาธิวิธวิธีออกจากสมาธเิเป็นที่ชำนิชำนาญแล้วต่อไปท่านก็จะสอนเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาคือวิปัสสนึกความนึกคิดพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายร่างกายสังขาร อ, อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายสาธยายว่าอายังโขเมกายอยู่ กายของเรานี่แหละอุดทางปาทัตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตกาเบื้องตามแต่ปลายผมลงไปสรุปแล้วก็คือให้พิจารณาร่างกายร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้เมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาที่คลายดูร่างกายของเรามองดูร่างกายของเรามีโครงกระดูกอยู่ข้างในมีหนังหุ้ม มีเนื้ อ, อ, อมีหลายอย่างมีตับมีปอดมีอวัยวะอยู่ข้างในแต่ถึงยังไงเราจะพิจารณาส่วนไหนของร่างกายจะพิจารณาหนังเนื้อเอนกระดูกแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ให้พิจารณาอันไหนก็ได้แต่ท่านให้พิจารณาเครื่องโครงกระดูกก็ได้เพราะโครงกระดูกเป็นโครงอยู่ข้างใน เพราะว่าคนเรามันมันหลงหลงอะไรมันหลงร่างกายมันหลงร่างกายเพราะหลงหลงร่างกายและก็หลงส่วนอื่นถ้าไม่หลงร่างกายเลยจะไม่หลงส่วนอื่นอันนี้มันหลงหลงร่างกายของตัวเองว่าร่างกายตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ตามไม่จริงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อจิตพันความสงบแล้วจิตที่ได้รับความสงบเป็นหนึ่งแล้ว จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินออกทางวิปัสสนาเราพิจารณาร่างกายเราพิจารณา เ, เราไปเห็นกระดูกที่ไหนกระดูกมนุษย์ที่ไหนที่เขาแขวนไว้หรือว่ารูปภาพเที่เขาถ่ายเป็นโครงกระดูกเราก็นําโครงกระดูกนั้นมาเปรียบเทียบกับร่างกายของตั ว, ตวของเรา ร่างกายของเราเนี่ยมีโครงกระดูกอยู่ข้างในใช่ไหมมีกระโหลกศีรษะแล้วก็มีฝันมีขากรรไกรแล้วก็มีกระดูกคอกระดูกไหปาระกระดูกแขนขวากระดูกแขนซ้ายกระดูกชี้โครงกระดูกสันหลังกระดูกเฉพกกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าเราพิจารณา ดูไปถึงกระดูกฝ่าเท้าย้อนกลับมาขึ้นมาอีกจนถึงกะโหลกศีรษะพอถึงกะโหลกศีรษะแล้วย้อนกลับลงไปอีกพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนพิจารณาให้ถี่ถ้ถวนในเมื่อเราพิจารณาถี่ถ้วนแล้วเราเห็นกระดูกท่อนไหนที่มันชัดเจนในความรู้สึกของเราเราก็เอาจิตของเราด้วยเอาความรู้สึกของเรากําหนด อยู่ในจุดนั้นเมื่อเราอยูก่กำหนดอยู่ในจุดนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้จิตใจของเราจะได้รับความสงบเพราะมันเห็นมันเห็นชัดเจนในจุดนั้นอันนี้ก็คือการกำหนดการพิจารณาเมื่อเราเห็นพิจารณาร่างกายทุกส่วนเป็นกระดูกเป็นของไม่มั่นของทาวนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นอเนจังทุกขังอนัตตาสิ่งไหนเป็นอเนจังไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์สิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นไม่ใช่ตัวตนของเราขนาร่างกายของเรายัางไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเขาจะต้องนําไปเผาไฟทิ้งเอาไปฝังเ อ, เอาไปที่ไหนลหลายอย่างที่คนตาย อ, อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายทราบที่เครื่องบินตกในน้ําทะเลอย่างนี้นะ เขาคาดคิดไหมว่าร่างกายมันจะอยู่ในใต้ท้องทะเลแต่มันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มใีใครที่จะกําหนดได้ว่าจะไปอยู่จุดนั้นจุดนี้จุดเดียวแต่กําหนดได้แต่บางครั้งกําหนดไม่ได้เพราะมันเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข สิ่งไหนเป็นทุก์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราว่าร่างกายของเรามีจุดจบอีกสักวันหนึ่งไม่ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายแล้วเราก็พิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจใจของเราเป็นหลงหลงร่างกายพอหลงร่างกายแล้วก็หลงส่วนอื่นหลงไปหมดถึง หลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศัตว์หลง เ, เลือกสวนไร่นาสามีภรรยาลูกหลานหลงไปหมดเพราะไหไรเพราะหลงร่างกายว่าร่างกายไม่จะอยู่ชั่วฟ้าถิ่นสลายเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยจิตใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลาย เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายใครใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มากก็ต้องน้อยเพราะนั้นขอให้คณะทาญาจโจิโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท่านนี่แหละคือหลักคำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่องคหลวงปู่ของพวกเราแนะนําสั่งสอนให้พวกเราให้เรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเป็นพื้นฐานในเมื่อจิตใจของเรา เป็นสมาธิดีแล้วจากนั้นก็นเดินปัญญาวิปัสนาการนั่งนั่งสมาธิตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์วงหลวงปู่ท่านก็คงแนะนำสั่งสอนลูกหลานมามากต่อมากจนมีตำราทั้งสามเล่มขอให้ลูกหลานทั้งหลายศึกษาดูท่านเอาความจริงมาพูดเอามาความจริงมาแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยม แต่ว่าวิธีการปฏิบัตินั้นวิธีการเข้าสมาธินั้นบางคนอาจจะมีแปลกแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไงก็คือไปแนวแถวเดียวกันแต่แนวแถวของหลวงปู่มั่นท่านจะแนะนำสั่งสอนให้บริกรรมยึดพุทธโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพราะนั้นอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษามาจากองค์หลวงปู่มั่น ถ้าจะเปรียบเทียบกับหลวงปู่มั่นท่านแนะนาสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิของท่านวิธีการทานาในเมื่อพวกเราได้ศึกษาจากหลวงปู่มั่นวิธีการทานาเราก็ได้ศึกษามาทางนี้เราแนะนาสั่งสอนเราก็บอกว่าวิธีการทานาต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อ, อ, อาจจะมออีชั้นเชิงเลี่ยงบ้างบางสิ่งบางอย่างออแต่ถ้าว่าผู้ใดออไปทาไร่ สวนยางพาลาเขาก็จะต้องแนะนำวิธีการทำยางพาลาเนี่ยทำอย่างไรถ้าว่กผู้ใดไปได้มันสําปรังเขาก็แนะนำเรื่องวิธีการทำมันสัมปรังมีมากหลากหลายในการวิธีหางเงินคาทรัพสมบัติเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำบอกกล่าวว่าพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมมะขัน กรรมฐานในหลักธรรมกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามีอยู่กรรมฐานอยู่40สอันนี้เพียงพอประมาณไม่ใช่ว่าจะตายตายตัวทั้งหมดว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่อย่างในครั้งพุทธการเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกโลกสิทธิ์ของพระสารีบุตรท่านบวชเข้ามาบวชเข้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าจากนั้น พระ อ, องค์ภาษาริบูตรก่อนแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านให้พิจารณาอสุภะกรรมฐานอย่างที่อาตมาได้พูดว่าเมื่อจิตใจสงบลงแล้วให้พิจารณาอสุภะปฏิกูลว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พอแนะนำสั่งสอนพระรูปนั้นที่เป็นลูกศิษย์พอไปแล้วกลับมาอีก ผมภาวนาจิตใจมันไม่สงบครับมันไม่เห็นมันไม่เห็นอชุภระไม่เห็นปฏิกูลมันมองไม่เห็นครับพิจารณาอย่างไีก็ไม่เห็นครับเอ่อภาษาบุตรก็แนะนําให้อีกให้ทีถ่วนเขาอีกให้พิจารณากานกรองเข้าอีกกําหนดดูให้ดีเออแนะนําอีกก็ไม่ได้กลับมาอีกไม่ได้ครับมันเข้าไม่ได้ครับเออพอครั้งที่สามนี่ลูกศิษย์ของเราองค์นี้นะ่ะ มันไม่คงจะไม่ใช่วิสัยของเราเสร็จแลว้วก็มักจากนั้นพระสารีบุตรก็เลยได้นําลูกศิษย์ของท่านไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าสารีบุตรพระองค์นี้ไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของพุทธะเดี๋ยวเย็นนี่แหละ เ, เราจะแนะนําสั่งสอนเขาเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอระหรันต์พระพุทธองค์ท่านตรัสกับสารีบุตรไปเธอกับเธอกลับไปใช่ ก็บอกให้ภาษาลิบุตรกลับบอกไปจากนั้นรพระพุทธองค์ก็มองเห็นพระองค์นี้นะ่ะท่านก็นิลมิตรนิลมิตรดอกบัวขึ้นมาอยู่ในทางข้างข้างหลังของพระจดางของพุทธเจ้าคือเบื้องหลังท่านก็เอาดอกบัวคว้าดอกบัวมาให้พอจีบดอกบัวมาให้ท่านั้นพระองค์ที่เห็นดอกบัวเนี่ย โอ้โหโดอกบัวนี่ยทำไมสวยงามถึงขนาดนี้หยดย้อยไปด้วยสีและสีและแสงคล้ายๆว่าเป็นดอกบัวทองคำ เ, เห็นแล้วจับใจอย่างมากแต่นั้นพระองค์บอกว่าเอาภิกษุเธอเอาดอกบัวนี้เอาไปทางหลังวัดนะเอาไปหาที่มุมสงบจากนั้นก่อทรายขึ้นมาแล้วก็เสียบ แล้วก็ให้พิจารณาดูนะเพ่งดูดอกบัวนี่นะอ่าไปจากนั้นพระองค์นั้นก็ได้ดอกบัวทองคําจากพระหัตถ์ของพระพุทธไตรจารจากนั้นท่านก็ไปหาหมุมสงบอยู่ทางหลังวัดจากนั้นคอสายขึ้นมาแล้วก็เอาดอกบัวเสียบในกองสายจากนั้นก็นั่งเพ่งโอ้ดอกบัวสวยจริงหนอสวยจริงหนาะเออ พอต่อมาดอกบัวมนะันเป็นดอกบัวนิลมติตดมันก็มีสีเศร้าเข้าไปเรื่อยๆสีดำผีค่อยๆดำเศร้าหมองไปเรื่อยๆพอผลในสุดดอกบัวนะก็เห็นเป็นอันนี้จังคือของไม่เทีย่ยงมันเศร้าหมองพระเอานั้นก็โอ้ดอกบัวที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าเป็นดอกบัวที่สวยงามมากหยดย้อยไปด้วยเกีบ เ, เรือว่า สีแสงของมันที่เป็นทองคำแต่บัดนี้ทำไมมันจะเข้ายางปลีไปเรื่อยๆดำปีไปแล้วเนี่ยพอท่านเห็นเท่านั้นท่านก็เห็นอนิจจังอนิจจังคือของไม่เที่ยงขนาดดอกบัวที่สวยงามถ้าขนาที่ยังไม่เที่ยงร่างกายของเรานี่ก็มันจะเที่ยงแท้แน่นอนได้อย่างไรจากนั้นท่านก็เห็นอนิจจัง พอเห็นในจังท่านก็เห็นทุกขังอนเห็นอ น, นัตตาจากนั้นท่านก็ปล่อยวางท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในการเพ่งพิจารณาดอกบัว น, นั้นอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระสาวกแต่นั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าทําไมพระองค์นี้พระษาริบุตรจึงสอนอสุภะปฏิกูลไม่ได้ พระพุทธองค์บอกว่าในอดีตตชาติของพระองค์นี้เขาเป็นช่างทองติดต่อกันมาถึงห้าร้อยชาติเวลาเขาทำทองเขาตีสร้อยแหวนเงินทองดอกบัวอะไรก็ตามเขาจะเน้นไปในทางสวยงามเขาจะไม่เห็นเขาจะไม่เน้นเป็นในทางอสุภะปฏิกูลเพราะนั้นภาษาริบุตรให้ท่านสอน ลูกศิษย์ของท่านให้พิจารณาอสุภะปฏิกูลมันเข้ากันไม่ได้เพราะนั้นอจึงไม่ใช่วิสัยของสารีบุตรที่จะสอนเพราะนั้นการแนะนําสั่งสอนผู้คนพวกเราท่านทั้งหลายยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อกําลังพูดนี้เป็นต้นนะเวลาหลวงพ่อไปแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวใครบอกด้วยความตั้งใจ บอกด้วยความบริสุทธิ์ใจบอกด้วยความมั่นใจแต่ผู้ที่จะรับไปนั้นจะได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นกระสุดแท้แต่ก็อย่างที่ภา ษ, ษาริบุ ท, ที่ท่านเจตนาดีสอนลูกศิษย์ของท่านแต่ว่ามันพิจารณาไม่ได้มันต้องเป็นวิสัยของพุท ธ, ธะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิยมลูกหลานทุกคนการภาวนา แต่ถึงยังไงก็ให้ยึดตามแนวแถวของพ่ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มัน่นของพวกเราเี่เป็นหลักแต่ถึงยังไงถ้าว่าพิจารณาดูแล้วมันเป็นอย่างอื่นก็ศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ของเราเน่ยเออผมภาวนามันเป็นอย่างนี้หลวงปู่ครับอถ้ามันเป็นอย่างนี้หลวงปู่จะมีวิธียังไงไหมท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญ เรื่องสมาธิมาแล้วท่านจะต้องรู้วิธีการที่แนะนำสั่งสอนลูกหลานของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโจมลูกหลานทุกคนใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้เรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าทานสิมภาวนาทานคืออานิสงส์ของทานไปสู่สวรรค์นนะคณะสัยตยาิโยม อนใสงสารอันในสงสีนั้นไปสู่สวรรค์นะอันในสงภาวนาไปสู่พรหมน ะ, ะให้พวกเราได้สังเกตดูว่าถ้าว่าเป็นฤาษีสีไพ่อยู่ในป่าท่านบําเพ็ญฌานภาวนาของท่านอยู่ในป่าท่านบําเพ็ญเรื่องสมาธิอยู่ในป่าโดยมากเพื่อท่านมรณภาพลงไปท่านฤาษีแถวนั้นจะขึ้นไปสู่พรหมเป็นส่วนมากแต่ถ้าว่าพวกเราเป็น กษัตริย์เป็นพราหมณ์หรือว่าเป็นพี่น้องประชาชนมีแต่ให้ทานรักษาศีลธรรมดาเนี่ยโดยมากจะไปสู่สวรรค์นี่แหละอันนี้แหละพวกเราในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทานให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้ง สู้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้อันนี้ท่านบอกท่านเน้นเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นขอฝากไว้กับพระรักศร้าญาติยาโยมลูกหลานทุกคน เ, เมื่อเราออกจากสมาธิทุกครั้ง อ, ออกจากสมาธิทุกครั้งให้เราน้อมอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลเที่่าพระเจ้าได้นั่งสมาธิถึงจะจิตสงบหรือไม่สงบ ถ้าจิตสงบได้ก็ยิ่งดียิ่งเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเมื่อเราออกจากสมาธิเราอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ผู้ญาตาาาิตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายท่านผู้ใดมีส่วนที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้ า, าขอให้ดวงวิญญาณมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพาาเจ้าได้ได้กทุกทุกดวงวิญญาณด้วยเถิดเมื่อออกจากสมาธิ เพราะว่านั้นบุญกุศลที่พวกเราได้ทําสมาธิเนี่ยเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตธายาตโยมลูกหลานทุกคนอันดับแรกเนี่ยแหละคือหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านคงจะสอนหลวปู่ของเรานี่สอนแนวแถวของหลวงปู่มั่นก็คือบริกรรมพุทโธเนี่แหละเป็นหลักนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธมันผิดไหมผิดแนวแถวของพุทธะไหม ไม่ผิดนะคณะสัตย์จายาโยมเพราะพระภูเจ้าที่ท่านไปบำเพ็ญอยู่ที่โครนต้นโพวันเดือนหกเพนนน่ะท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปู่มั่นของเราเอากรรมฐานสองอย่างมาพนวกกันคือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าบริกรรมพด หายใจออกบริกรรมโทรยึดพุทธโธด้วยนะแต่เก้าขบผมอาตมาเองได้เอาแนวหนึ่งมาบอกกล่าวแนะนำสังสอนที่น้องประชาชนเรื่องสมาธิเออทำไมพวกเรานั่งสภาสมาธินี่มันเผลอได้ไงมันเผลอออกช่วงไหนถ้าพวกเราอยากจะรู้นะอยากจะรู้หนะ้าทดลองดออูถ้าทดลองดูเวลาหายใจเข้า ให้เรานับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4ี่นับ5้านับหนับ7นับ8จนถึงร้อถ้ามันไม่เผลอนับมากลับมานับ1ใหม่อีกนับไปถึงร้อยซัก2องสสครั้งมันไม่เผลอเราจะค่อยบริกรรมพุทโทพุทโถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทต่อไปแต่มันเผลอมันเผลออย่างไรถ้าบางทีเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันเผลอนแป๊บ หายเผือมันปั้นหายมันหายไปช่วงไหนถ้าเรานับหนึ่งนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับหนึ่งคือเป็นเลขขี้นะหายใจออก เ, ออเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ถ้าหากว่ามันมันจะเผลอมะมันจะเบอร์เบอร์พอเบอร์เสร็จแล้วเนะี่ยมันจะคู่ขีนะ้ท่านนี่มันสลับกัน ในเมื่อมันสลับกันเรากลับมาใหม่อีกไม่ได่าเพราะมันมันเผลอเนอนับไปถึงพอไปถึงไม่ถึงสิบมันเผลอแล้วกลับมาใหม่อีกเราจะได้รู้ว่ามันเผลอมันเผลอมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเรานับไปถึงร้อยไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีนาทีกว่ากว่าประนั้นขอฝากไว้กับนักคณนาศัทาญาติโยมดูนับพิธีการทําสมาธิจะทำให้จิตใจ เป็นหนึ่งและจิตใจสงบเนี่ยแต่ว่าเมื่อนับหนึ่งสาไปแล้ว 2, 3, 4, สสห้าครั้งมันไม่เผลิกรับบริกรรมพุทธโถหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโรตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์งองคงหลวงปู่ของเราที่ท่านแนะนำสั่งสอนลูกหลานหลวงพ่อเองขอกราบและขอสนับสนุนในเจ้าพระคุณและหลวงปู่ของเราที่ท่านอายุถึงขนาดนี้ เก้าสิบกว่าปีถ้ายังมีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตาต่อลูกต่อหลานพวกเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายควรจะมีแก่จิตแก่ใจ <c oughs> ในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อใครในเมื่อพวกเราได้สมาธิแล้วจิตใจของเรามั่นคงดีแล้วนะเราจะลํำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่นะแต่หาว่าจิตใจของเราปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นผลดี ไม่เป็นพ้นดีอย่างพวกเราเมือ่อการฝึกสมาธิเนี่ยเมื่อเราฝึกแต่อย่างน้อยอย่างนมในเมื่ออายุแก่ข้องมาเมื่ออายุแก่ขึ้นแก่ขึ้นใจข้องเราก็จะเป็นสมาธิจิตใจข้องเราจะไม่พุง่งไม่ฟุ้งไม่สรั่นจิตใจมั่นคงไม่มาไม่ว้าเหวี่ยง ว, ว, ว้างเงียบเหงาซึมเศร้านะนิสัยซึมเศร้าจะไม่มีเพราะเหตุใดเพราะว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวาง เ, เมื่อเราภาวนาไป เ, เราก็จ ะ, จะทำอย่างไงได้มันถึงอายุของเรามากแล้วก็ต้องอัตติหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเราจะไปพึ่งลูกพึ่งหลานกับพึ่งได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเออลูกหลานของเขาเขาเย่ำแย่ของเขาเหมือนกันเขาก็มีทุกข์เหมือนกัน มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเราจะไปพึ่งใครถ้าไม่เราไม่พึ่งตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพึ่งตนเองหลวงปู่ของเราที่ท่านสอนนี่นะท่านสอนให้พวกเราคณะสัทยาญาติโยมลูกหลานพึ่งตนเองอย่าไปพึ่งคนอื่นพึ่งพึ่งตัวของเราน่ยพึ่งบุญบารมีพึ่งคุณงามความดีพึ่งศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานั่นแหละในเมื่อพวกเรามี สมาธิดีแล้วจิตใจของเราจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยฝึกสมาธินะลูกหลานคณะสัยาญาติโยมนะเมื่อเท่าแก่ชราลงไปแล้วนะลูกหลานของเราไปทำการทำงานที่อื่นนะเราก็เค่แต่ถึงลูกถึงหลานจิตใจจะว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงา เ, เป็นผู้สูงอายุที่เศราซึม เ, เราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นขอให้ฝึกขัดไว้แต่นนเนินเน่นรู้จักปล่อยรู้จักวางให้รู้จักเอาสมาธิเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจเราจะไปพึ่งใครวะถ้าเราไม่พึ่งใครเราจะไปพึ่งใครถ้าเราไม่พึ่งเราเพราะนั้นขอให้พวกเราพึ่งเราการกล่าวสัมมบทนียกราในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาแล้วก็เบื้องต้นได้ กล่าวพุทธภาสิต ท, ที่ว่าปูชาจะปูชนียานหนังบูชาบุคคลที่ควรบูชาวันนี้หลวงพ่อเองได้มาในงานวันเกิดเจ้าพระคุณองค์หลวงปู่ของเราหลวงพ่อก็น้อมลํำลึกถึงบูชาพระคุณหลวงปู่ผู้มีอุปการะคุณเป็นวิยญาณวุฒิระวัคคุณวุฒอันสูงส่ง ที่เป็นที่ยอมรับของลูกของหลานของคณะทายาิโยมทุกหมู่เหล่าท่านมีเมตตามีการแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนพวกเราท่านทั้งหลายมากต่อมากอย่างเห็นวันนี้พวกเรากอรักเคารพในองค์หลวงปู่ที่ได้มาแสดงซึ่งออกซึ่งมุทิตาสักการะที่หลวงปู่มีอายุ 95ปีเป็นร่มโพ ร, ร่มไยของลูกของหลานเพราะนั้นวันนี้กระผมเองอรตมาผ้าเบงจะได้กล่าวว่าปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชา บ, บุคคลที่ควรบูชาคือหลวงปู่ของเราเนี่แหละท่านหนึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงปู่ของเราเนี่แหละ เป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งเพราะนั้นการกล่าวสัมโภทิธนิยกถาวันนี้ก็ว่าเห็ น, หนว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทั้งปวงบุญบา ร, รมีขององค์หลวงปู่ของเราขอให้คุ้มครองลูกหลานทุกคน ขอให้ลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม <c oughs> ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆ ท, ท่านด้วยเธิน <c oughs>